นเนี่ยมันตื่นแบบมันสนุกอ่ะใช่ปะ่ะตื่นแบบตื่นเต้นโอ้ยได้ชมวัปฏยนได้อได้เห็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นน่ะมันตื่นได้เหมือนกันนะแต่มาที่นี่วันนี้เราไม่ได้ติดแบบนั้นนะ่ะมันตื่นรู้อ่ะใช่ไหมหลายคนเวลานี้เดินจงกรมอยู่สร้างจังหวะอยู่ในข้างล่าง อาตมาก็เห็นโอ้เป็นค่ำคืนที่ต้องจำไว้ในใจเลยนะเราอยู่ศาลาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเลยนะพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์ครึ่งเสียนะวันนี้นะสฟ้าก็ใสนะแล้วก็มีแสงเทียนระยิบระยับระหว่างทางอาตมาจินตนาการเอาเองนะถ้าหลวงพ่อคำเขียนอยู่นี่ท่านถ้าจะอบอุ่นใจเนาะ มีคนมาปฏิบัติทำประตูคัางที่มีคนมาปฏิบัติเนี่ยนะหลวงพ่อจะมาเดินชมกลมเป็นเพื่อนนะมาอยู่ใกล้ๆตอนเช้าๆ เ, เนี่ยนะก่อนที่ท่านจะไปทำธุระส่วนตัวอะไรของท่านเนี่ยที่หอไตก็ดีที่ลานหินโค้งก็ดีถ้ามีคนมาปฏิบัติกันเยอะๆ เ, เนี่ยนะท่านก็มาเดินเป็นเพื่อนนะทำให้เราอบอุ่นใจ แล้วอาตมาก็คิดเอาเองเอีกนะอันนี้คือคิดไปเรื่อยนะหลวงพ่อก็คงจะมองเห็นว่าเออมันมีความหวังเนาะการสืบต่อพระพุทธศาสนาที่เป็นหนทางในการพ้นทุก์เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างอย่างที่เรามากันวันนี้เนี่ยมีทั้งคนเก่ามีทั้งคนใหม่นะคนเก่าก็มาทบทวนสิ่งที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติ คนใหม่ก็มารับรู้ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็ทดลองปฏิบัตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จะสืบต่อพูดง่ายๆนะต่ออายุหลวงพ่อคำเขียนที่ยังอยู่ในใจของพวกเราซึ่งหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก็ต่ออายุหลวงพ่อเทียนใหม่ทีสมัยอาตมาเคยพบกับหลวงพ่อเทียนนะ แล้วก็หลวงพ่อกำเทียนนี่ก็จะบอกเสมอว่าท่านเป็นศิษย์มิครูนั่นก็คือหลวงพ่อเทียนแล้วก็ท่านก็พยายามที่จะนําสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาจากหลวงพ่อเทียนมาสืบต่อนะด้วยการแนะนําการประพฤติปฏิบัติซึ่งพวกเราก็ได้รับประโยชน์เนาะมาจนถึงปัจจุบันนี้พูดถึงในคำคืนวันนี้เนี่ย อาตมาอยาจะตั้งชื่อมันว่าค่ำคืนภาวนาบูชาครูค่ำคืนภาวนาบูชาครูนะครูก็คือหลวงพ่อคำเขียนหรืออาจจะเป็นหลวงพูเทียนตรงพระศาสดานะที่เป็นพู้ที่ค้นพบนะทางที่จะให้เราออกจากความทุกข์นะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันมีจริงๆการมีครูบาอาจาร การมีพระสงค์องค์เจ้าที่มีการประพฤติปฏิบัติที่มีผลแล้วนำมาถ่ายทอดจนถึงพวกเราเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเมื่อสอง0ันหก้อยปีที่แล้วเนี่ยจริงไม่ใช่เป็นเรื่องตำนานไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าซึ่งถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่ามันมีจริงหรือเปล่า ยิ่งคนสมัยนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็จะไม่เชื่อเหมือนพวกเราอะทุกๆคนะนะเอ๊ะมีจริงเหรอพระพุทธเจ้าอะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอแต่เมื่อมีครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนท่านได้นำเอาวิธีการ ป, รปฏิบัติเนาะมาทดลองกับตัวท่านทำกับตัวท่านแล้ว ยืนยันว่าสิ่งนี้มันมีจริงแล้วมันเกิดผลจริงๆแล้วก็นำมาพูดมาบอกให้กับพวกเราเราก็นำมาทำต่อแล้วมันก็ได้ผลจริงๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันเนาะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆนที่สามารถที่จะสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา รู้สึดต่อเส้นทางที่จะออกจากความทุกข์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวตมาเองหรือพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะได้สัมผัสบ้างนะไม่มากก็น้อยอาจจะไม่ถึงที่สุดทีเดียวอย่างที่ครูบาอาจารย์นั่นพูดหรือบางท่านอาจจะถึงที่สุดแล้วก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีความหวังหลวงพ่อกำเขียนเป็นแรงบรรนานใจ องที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปที่จะออกจากความทุกข์ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาเนาะได้ถางทางเอาไว้เราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากเลยเราไม่ต้องไปค้นหาทางใหม่เลยมันมีทางอยู่แล้วมีทางเดียวคือเราเดินไปเท่า น, นั้นเองแต่ทางนี้นะมันลกชัดหน่อยคนที่มาฝึกใหม่ๆเนี่ยนะ แเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสาช่วยจันทงศิลป์เนาะพากลุ่มปฏิบัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็มีพระใหม่ไปที่บทใหม่แต่หลายคนก็โดนบังคับมาทั้งหมดเลยลักบังคับมาโอ๊ยฝึกมันทุกข์ขนาดหนักเลยนะ วันแรกๆมันง่วงง่วงง่ว ง, ง, งขนาดหนักเลยนะาาามาทรมานตัวเองก็เปล่านี่ะนะก็พยายามจะพูดให้กำลังใจนี่แหละทางมันลกชัดทางมันไม่ได้ราบลืนล่นหรอกนะเหมือนกับพวกเราเหมือนทุกคนอนะ่ะด้วยที่เราได้ฟังหลวงพ่อคำเขียนเทศเมื่อเมื่อตอนทำวัดจำได้ไหมโห้ยหลวงพ่อบอกแรกๆมันต้องง่วงง่ว ง, งนะนั่งนี่ก็ง่วงนะนี่ยังเดียวเดิน ก็เขีนเดินอาจะมาไปอ่านประวัติหนสีอเล่มแรกที่ท่านที่ท่านให้สัมภาษณ์นะชื่อธรรมะสู่ธรรมชาติเล่มเล็กๆท่านบอกว่าใหม่ๆท่านโอ้โหง่วงขนาดหนักเลยนะนั่งนี่ง่วงท่านต้องเดินอย่างเดียวเลยเดินเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าพวกเราก็เหมือนกันนะเนาะเหมือนกับหลวงพ่อนะ นี่เรากำลังเดินเส้นทางเดียวกับที่หลวงพ่อเดินนะนั่นแหละดังนั้นการที่เรามารวมตัวกันนะมาทำสิ่งที่เป็นการบูชานะหลวงพ่อคำเขียนในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะได้เรากลับมาทดทวนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อแล้วก็สิ่งที่เราได้ไปประพฤติปฏิบัตนะิบางทีมันอาจจะติดขัดอยู่บ้างเราก็กลับมาที่วัดป่าสุขโต มาปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆกับกุฏิหลวงพ่อมันอาจจะได้แรงบันดาลใจเนาะในการที่เราจะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่จะพ้นออกจากความทุกข์ไดนะ้อันนี้ครูบาอาจารย์นี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือสถานที่ที่ท่านอยู่นะเหมือนกับพระตุทธองค์ก็เคยพูดไว้เนาะสังเวชนียสถานสี่แห่งเนี่ยนะชาวพุทธเนี่ยควรจะได้มีโอกาสไปนะเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจ ในในการที่เราจะเดินตามรอยของพระพรมศาสดาแต่ซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปสัมผัสกับท่านได้แต่ก็มีผู้ที่สืบต่อมาก็คือครูบาอาจารย์พระสองฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะพระสองฆ์องคเจ้านะญาติโยมที่มีการประพฤติธปฏิบัติแล้วมีผลนั้นก็ถือว่าเป็นผู้สืบทอดพระพิจสดศรัทธ า, ามือนกัน หลวงปเทียนนั่นพูดไว้ว่าชัดเจนเลยนะท่านบอกว่ า, าสาวกของพระเจ้าเนี่ยนะมีแค่สองบริษัทเท่านั้ น, นะนะมีผู้หญิงก็ผู้ชายไม่พื่บริษัทสี่นะอาตมาก็ได้ยินนัานพูดเออแตกเยลยหลวงปเทียนเนี่ยเฮอันนี้มันลบล้างคำสอนพระเจ้าอว้เนยนะผู้หญิงก็ผู้ชาย มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวเครื่องแต่งกายด้วยนะความทุกข์เนี่ยพิเกเรตัญหาอุทานเนี่ยนะมันเรียกว่าคุณจะนุ่งชุดใดก็ตามมันเล่นงานได้หมดนะแต่มันจะไม่เล่นงานคนที่มีสติมีสติสัมปชัญญะมันเล่นงานไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ขอให้เรามีความสบายใจและมั่นใจได้ว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินเนี่ยนะ สามารถที่จะเดินไปตามทางที่พระเจ้าได้กล่าวไว้โดยมีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้ทดลองได้ปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วท่านก็เอามายืนยันแต่เราก็ยังไม่เชื่อหรอกเราต้องเอามาปฏิบัติเองใช่ไหมแล้วมันก็เกิดผลขึ้นมาตรงนั้นแหละศรัทธาที่มีมันจะเป็นศรัทธาที่มัน่นคง นะสตาร์ ต, ต, ตัวบุคคลเนี่ยก็ดีนะแต่มันไม่ค่มันคงหรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยหรือสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมาทดลองแล้วมันเกิดผลขึ้นมาตรงนั้นล่ละจะเป็นสตาร์ที่ตั้งมัน่นแะต่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ตลอดเวลานะตัวหลงพ่อคำเขียนเองถ้าเราสังเกตนะ สมัยที่มามาฝึกกับท่านใหม่ๆเนะี่ยไม่มีหละกกลุ่มมีคอร์สเพิไม่มีมานี่มากันเองปฏิบัติกันเองแล้วหลวงพ่อก็ปล่อยเราปฏิบัติอิสระเลยแล้วต้องก็มาแอบๆดูนะสมัยทีม่มามาใหม่ๆเนี่ยนะโอ้โหมันง่วงนอนอนะ่ะอยู่กุฏิข้างบนอนะ่ะประมาณกุฏิเก้าหรือกุฏิสนะิบอ่ะง่วงนอนอนะ่ะตอนบ่ายอนะ่ะนอนเลย มาได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กเอา้เอาวไอ้ใครมาเนี่ยเอาหลวงพ่อเดิเนไปแล้วหลวงพ่อมาดูนั่นก็มาดูอยู่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นบรรยากาศของวัดปาสุโโตสมัยก่อนหลวงพ่อเขียนนี้ท่านจให้อิสระนในการปฏิบัติซึ่งการให้อิสระมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือมันมีอิสระในการปฏิบัติแต่ข้อเสียคือถ้าใครอินทรีย์อ่อนเนี่ยจะอยู่ไม่ได้หรอก มาวันแรกอะหนีแล้วไม่ไหวเบื่อเจอความม่วงอาถอยแล้วลนี้เป็นสิ่งที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเพราะนั้นการที่เรามาร่วมกันปฏิบัติบูบชามาในค่ำคืนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้บูชาหลวงพ่อทำเขียนในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการบูชา สิ่งที่เราเชื่อนะแล้วก็จะทําให้เกิดพลังนะในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติต่อไปโนะดยเะพาะการที่เราจะออกจากความทุกข์ได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความศรัทธาอนะาศัยความเชื่อเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าการท้นทุกข์เป็นไปได้เชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เหลือวิสัยและไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้วิเศษหรือคนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ถ้าเราไปศึกษาประวัติหลวงพ่อคาเขียนเองเนี่ยท่านก็เป็นเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นกรรเกษตรกรแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้รักธรรมชาติอะไรเท่าไหร่ต่อเมื่อท่านมาประพฤติปฏิบัติและท่านเข้าใจธรรมะนี่แหละท่านก็เลยรักสัตวสิ่งซึ่งความเมตตาความรักของท่านเนี่ยพวกเราได้สัมผัสสําหรับคนที่ได้สัมผัสท่านเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับทุกคนที่เข้ามา ให้ชิดนะแล้วก็ท่านก็ให้ความเป็นกันเองนะทุกคนเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิ ด, กดแต่มันเกิดจากการที่ฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติหลวงพ่อเนี่ยเราอย่าไปศึกษาประวัติอตอนท้ายนะตอนท้ายนั้มันผลละแต่ต้องย้อนกลับไปดูว่าเหตุเนี่ยมันมาอย่างไงถ้าเราไปศึกษาประวัติจะทราบดีว่าหลวงพ่อเนี่ย ก่อนที่ท่านจะมาสนใจเรื่องพวกนี้ท่านเป็นหมอธรรมใช่ไหมแลท่ารกระสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนิพพานเรื่องสวรรค์อะไรพวกเนี้ยนะเป็นความสงสัยของคนสมัยโบราณนะเป็นหมอธรรมแต่ก็ยังสงสัยอยู่ยังมีความทุกข์อยู่นะตอนหลังท่านก็ทราบข่าวว่าเออมีคนที่จะพูดเรื่องนี้จะสอนเรื่องนี้ได้คือหลวงพ่อเทียน่นะท่านก็เลยไปศึกษา แล้วในการศึกษาในการปฏิบัติของท่านเนี่ยหลวงพ่อคําเขียนเป็นคนจริงนะเป็นคนทําอะไรทําจริงไม่ทําเล่นๆแล้วท่านก็มีเรียกว่ามีจะเรียกว่ามานาัติธิหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจนะในสมัยก่อนนะก็คือว่าถ้าใครทําได้สมมุติว่าเกี่ยวข้าวได้ห้าสิบกองเนี่ยท่านจะต้องทําให้ได้ร้อยกองคือท่านจะไม่ไม่น้อยหนะ้าใครตรงเนี้ยมันเป็นเป็นความอุตสาหของท่านเวลาท่านมาปร ปฏิบัติมาเรียนรู้เรื่องการเจริญสติท่านก็เอาจริงจริงจริงาภายในเดือนเดียวเนี่ยท่านสามารถรู้รูปนามได้และภายในยไม่เกินสามปีท่านถึงที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแล้วก็เอามาทบทวนตัวเราว่าเอ๊ะเรามันทำมากี่ปีแล้วมันดีขึ้นไหมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมมันพัฒนาขึ้นไหม เมืออวันก่อนที่ท่านอาจารย์ไปสารพูดนะว่าปฏิบัติทำแล้วมันน่าจะเกิดการเปลี่ยนการพลิกใช่ไหม5ปีแล้ว10ปีแล้วยังโกรธเหมือนเดิมยังขี้อิจฉาเหมือนเดิมยังขี้บ่นเหมือนเดิมมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรเราต้องทบทวนตัวเองแล้วละ่ะต้องถามตัวเองแล้วละ่ะเราเดินมาถูกทางไหมหรือความเพียรของเรามันพอไหมทำทํายุดหยุดขยันก็ทํา เกลียดไม่ทําเบื่อไม่ทําไม่เบื่อทําเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อเกิดขนเท่าไหร่แต่ถ้าเราศึกษาประวัติของหลวงพ่อคำเขียนเย็นว่าพอท่านลุยนะท่านลุยเลยลุยให้มันจบเลยตอนเด็กโยมเนี่ยท่านก็คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรไเท่าไหร่จะพอทําเดือนนึงเนี่ยท่านเข้าใจเบื้องต้นลูกนามเนี่ยท่านก็มาดูโอ้โหนี่ขนาดแค่นี้นะ แค่เดือนเดียวนะยังเข้าใจขนาดนี้ถ้ามันถ้าบวชแล้วมันมีเวลาเต็มที่มันจะแค่ไหน mm hmm. เออเนี่ยท่านไยอมมาไม่ยอมแพ้นะขนาดช่วงแรกๆง่วงนะแต่ท่านก็ผ่านความง่วงได้กลับมาดูตัวเราซิเราง่วงเราก็อนนนแอนเข้ากุติใช่ปะ่ะยิ่งที่วัตาสุโกโตเนี่ยอากาศจะทำเย็นสบายดีนะนะหรือบางคนเอาโทรศัพท์มาเล่นแล้ว เบื่อเบื่อโตหาเพื่อนหน่อยเล่นเฟซหน่อยเล่นไลน์หน่อยแค่ว่ามันก็อย่างนี้แหละไม่ได้เอาจริงอะ่ะเขาเรียกว่ากรรมฐานสมัครเล่นอะ่ะแค่ว่าวัะนั้นตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ในท่านศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราชื่นชมเราบูชาสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นแต่ตัวเราอะ่ะ ตัวเราทำอย่างนั้นได้ยังท่านตายแบบสงบนะ่ะมันคือผลนะแต่จตัเกิดตรงนั้นเนี่ยมันต้องสร้างเหตุก็คือฝึกมาอย่างอย่างดีอย่างต่อเนื่องะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราระลึกว่าสิ่งที่ท่านได้เดินมาเนี่ยนะมันไม่ได้อโรยด้ย้ยจิตกุลาบหรอกมันลำบากแต่ความลำบากน่แหละมันทำให้เราเข้มแข็ง คนปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เราอ่อนแอจริงๆเ้าเรียกว่ายินสีลูกขนหนูอะ่ะช่วงที่แล้วนักศึกษาพยาบาลเนี่ยจะมากับอาจารย์ล ง, งสินเข็นโคกขึ้นบนเขาอยิางโคกพกอย่าพูดอย่าพูดมันพูดกัน อ, ก อ, อีกอ๋อยกลับไปกูติดไปร้องเพลงกันเลยเมื่อเช้านะไม่ได้กลับบ้านแล้วร้องเพลงนะโอ้ยโยมเดี๋ยวก็ไปร้องที่บ้านนาอวันนี้จะได้กลับแล้วนาะ คนไม่มีศรัทธาลำบากนะแต่งพวกเราใ น, นมีศรนะัทธาเนาะมีศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทํา ท, ที่แบบพคับปฏิบัติแต่บางครั้งมันก็มีสิ่งที่มาขวางกั้นนะ่ะความง่วงความเบือ่อความสงสัยความลังเลความคิดฟุ้งซ่านจริงๆพวกนี้นะจะมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่อุปสรรคนะเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ให้เราเรียนรู้ ความง่วงเนี่ยมาเราให้เดี่ยวเรียนรู้เพื่อให้มันตื่นที่สุดของความง่วงคือความตื่นมีอยู่ทางเดียวถ้าคุณง่วงคุณอย่ายอมแพ้มั น, นแล้วกันอันนี้พูดถึงตอนกลางวันนะแต่ตอนคืนมันก็ต้องนอนนะนะแต่คืนนี้พิเศษหน่อยนะลองดูที่มันจะเป็นยังไงถ้าไหนนะลองตื่นลุกไปไงโยมงัวเมียแล้วอ่ะไหวไม่ไหว จะเป็สารบอกก็แล้วแต่ตามสบายนะใครไม่ไหวก็ที่นี่ก็หลับได้นะแต่ขอยอย่างเดียวอย่ากลนนะหลับได้แต่อย่ากลนใครที่รู้สึกว่ากลนก็แบบก็พยายามแต่ปกตินั่งไม่กลนนะนะยกเว้นแต่นอนนะนะใช่ไหมนอนง่ายอย่ากลนแต่ใครนอนกลนก็บอกให้นอนคว่ลนะมีหมอคนหนึ่ง หอญี่ปุ่น อ, อยายุ103ปีวันนั้นอาจจะมาดูเฟซบุ๊กเขบอกวิธีการนอนเขาแกนอนคว่มอ่ะอืออายุยืนแปลกนอนคว่มไม่ได้หายใจไม่มออกใช่เออนี่ก็เรื่องแปลกเอาตอนนี้แหละการศึกษาประวัติครูบาอาจารย์เราต้องดูตั้งแต่ต้นนะอย่ามาเอาตอนปลายตอนปลายเนี่ยมันดูเหมือนง่ายๆอ่ะ ก็เท่ากับท่านได้ผลมาแล้ว่ใช่ไหมแต่ก่อจะได้ผลมาเนี่ยเออโห้วลือดตาท ก, กระเด็นะถ้านเล่าให้ฟังสมัยอยู่ป่าพิทยานเดินจงกรมสร้างจังหวัดนโดยเฉพาะการรู้ลูปนามในเดือนแรกเนี่ ย, ยก็จะการเดินแล้วพอท่านเข้าใจสุดท้ายนั่งนั่งสร้างจังหวัดนี้อันนี้อ่านจากประวัตินะประวัติที่ท่านเล่าให้กับคนที่เขาไปสัมภาษณ์ นหนังสือธรรมะสื่อธรรมชาติเล่มเล็กๆเล่ม น, นี้แต่มาว่าน่าจะพิมพ์ขึ้นมาใหมา่เป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีคนได้อ่านเป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมที่เป็นเฉพาะหลวงพ่อคำเขียนท่านเดียวเลยแต่ก่อนจะเป็นหนังสือรวมหลายๆคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในในในรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยอแต่ว่าจําเป็นนะไปพบคนใหม่ๆอย่าอย่าไปนึกว่าเอ้ย เออเดินก็รู้นั่งก็รู้ไอ้นมันรู้จริงอน่ะ่ะแต่มันไม่ก่ต่อเนื่องนะจริงจริงนะแต่เราทำในรูปแบบนี้นะทําให้มันต่อเนื่องนะเออมันเข้มข้นดีแต่อย่าไปติดแค่รูปแบบอีกนะหมายถึงว่าไงนั่งทำก็สติ ด, ดีมีความรู้สึกตัวดี แต่พอเต้งหมดเวลาคุยอะไรจิกๆๆกจิกจิกเอานาิกาเอาโทรศัพท์มาเล่นปุ๊บๆุนะไปแล้วลเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ให้ระมัดระวังสตินี่เป็นเรื่องรีเอีดอ่อนจริงๆนะไปประมาทกับมันไม่ได้นะทีนี้แต่นั่นแหละนะถ้าเราทำในรูปแบบให้ให้ชัดเจนเข้มข้นเนี่ยนะมันจะขยายไปสู่กิจกรรมหือสิ่งที่เราทำอยู่ในประจำวัน แต่เส้นตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การเจริญสติของเราไม่ได้จํากัดอยู่ในแค่รูปแบบรูปแบบนี้สําคัญเหมือนกั น, นไม่ไช่ไม่สําคัญแต่เส้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติของพ่ออมเทียนท่านเข้าใจธรรมะในขณะที่อยู่ในรูปแบบขณะที่เดินจงกรมขณะที่สร้างจังหวะแต่เมื่อไปอ่านประวัติของคนเก่าๆนะที่บ้านบุคคล อาจจะมาไปได้ยินคนเก่าๆเขาล้ายหฟังบางคนเนี่ยทำในรูปแบบยังไม่เข้าใจหรอกอย่างแม่เทียนเนี่ยแม่เทียนภรรยาของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเข้าใจธรรมะขนาดเก็บฟ้ายะเก็บฟ้ายันนี้อันนี้เป็นเรื่องฟังไม่ทีนะนั่นก็หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ไดนะ้หรือว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยเข้าใจธรรมะขนาดที่ เอาเอาข้าวให้หมูกินตัวอย่างที่หลวงพ่อมเขียนนี่เล่าให้ฟังว่ามีคุณหมอคนหนึ่งที่อยู่คนครสวรรค์ใช่ไหมเห็นรูปนามเห็นความคิดขณะที่อาบนา้ําเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราจะพระเอกกับความคิดพดีเนี่ยนะมันเป็น้ังนในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้แต่การทําในรูปแบบเนี่ยมันจะมันจะมีหลักมีฐานที่ที่ที่ชัดเจนที่มัน่นคง เพราะเราออกนอกรูปแบบเราก็ไม่ทิ้งนะในการที่เราจะรู้สึกตัวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะนั้นธรรมะก็จึงบอกว่าเป็นอาการลิโกง ไ, งไม่จํากัดด้วยการเวลาไม่ได้ไหมายาว่าจะมาเข้าใจธรรมะเอาตอนที่อยู่วัดบางทีอยู่กลางถนนก็ได้เจอไฟแดงแล้วเออกลับมาก็ได้ใช่ไหม สมัยจะมาไปบวชเมื่อปีสองห้าไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่วัดโมกตอนนั้นบวชได้ประมาณสักสี่สิบกว่าวันประมาณกลางพรรษาเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันนะ่ะสมัยนั้นนะไม่มีใครมาคุมอะ่ะเราทำเราเองเราศรัทธาเราทำเลยไม่เข้าใจนะไม่รู้นะไอ้ลูกนามความรู้สึกตัวก็ไม่ชัดแต่มีเช้าวันหนึ่งอะ่ะเดินไปบินดาบา่ะ ขณะที่เดินไปบินาบาตรเราก็มีสติกับการก้าวเดินไปตอนกลับมาที่ปติขณะที่เอาน้ําล้างเท้าเนี่ยโอ้ความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นมาเลยความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันตื่นขึ้นมาเลยแล้วมันรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอะพื้นเนี่ยเราไม่เคยดูเลยนะไอพพ้พวกทังคกพวกจิ้งกะอะไรเราไม่เคยดูเลยนะ ตรงนั้นมันเริ่มมาดูสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆอ่แต่ก่อนเราจะไปดูเรื่องข้างนอกจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนของการที่เราอ๋อความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นาะที่หลวงพ่อเทียนพูดนาะรูปนานมันเป็นอย่างนี้นาะมันเข้าใจโดยไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์เป็นจุดเริ่มต้นเน่ยเพราะนั้นจังหวะที่มันจะพเหมาะพอดีเนี่ยนะมันไม่รู้เวลาไหนแต่การที่เราทําอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ำคืนวันนี้เนี่ยที่พวกเราได้มาร่วมกัน เ, เจริญสติตั้งแต่อสองทุ่มจนถึงเวลานี้ก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าบางคนก็ยังตื่นตื่นดีอยู่แต่บางคนก็ยัง ง, ง่ว ง, ง, ง, ง, งเงียบๆบ้างนะไม่เป็นไรเรถือว่า เป็นการมาศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์เบสารพูดเมื่อตอนต้นว่าวันนี้คืนนี้เราไม่ได้มาทรมานร่างกายนะเรามาศึกษาร่างกายของเราเน่ยมันง่วงเป็นอย่างไงใจเราเป็นอย่างไงใช่ไหมมันทนได้ไหมมันฝืนได้ไหมนะสมัยต่อมาไปฝึกอยที่วัดสนามในสมัยมนั้ยังไม่ได้บวชนะเป็นโยมเนี่ยลงไม่นอนคืนหนึ่งมันจะมีช่วงจังหวะที่ง่วงนะประมาณตีสาม ถ้าคุณผ่านตีสามไปได้คุณตื่นเลยแล้วมันจะเป็นง่วงทีประมาณบ่ายสามโมงตัวแตาไม่นะเคยสังเกตกว่าเออไม่นอนทั้งวันเลยเป็นไงนะแต่นี้ก็ไม่แน่นะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคืนนี้ลองศึกษาดูถือว่าเป็นข้าคืนในการศึกษาบูชาหลวงพ่อคำเขียนเอาตื่นด้วยการตื่นรู้ไม่จะตื่นแบบตื่นกลัวระเบิดเมื่อไม่นานมาเนี้ย ทำไมลาบประสงค์เนี่ยสารคับคุมเนี่ยอันนี้ก็ตื่นเหมือนกันนะแต่มันตื่นกลัวใช่ปะ่ะเมืกีนี่เด็กๆเขาสนุกสนานอันนี้ตื่นตื่นตื่นจากการเล่นอสนุกสนานแต่การที่เรามาอย่างเงี้ยเราตื่นรู้ตื่นรู้ด้วยการเคลื่อนไหวใช้อรปยบณเนาะลองดูซิมันจะแค่ไหนกันร่างกายจิตใจคนเราเนี่ยมันปรับตัวได้นะ แต่ถ้าเราอ่อนแอไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้มันก็เดี๋ยวมันก็ยอมแพ้ไปเลเพราะฉะนั้นลองดูเนาะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ่ละแต่ยัไม่ต้องไปนะจนถึงแบบเจ็บให้ได้ป่วยอนะไรแต่กูไม่เจ็บให้ได้ป่วยนะยิ่งยิ่งคืนเนี้ยพระใหม่เนี่ยได้มาปฏิบัติอันเนี้ยถ้าผ่านคืนนี้ได้เนี่ยอาจจะมาคิดว่ามันเป็นค่ําคืนที่ การึกไวในใจเลยว่าโอ้โหครั้งหนึ่งเลยเราอดหลับอดนอนมาเดินจงกลมสร้างจังหวะซึ่งมันต่างจากการอดหลับอดนอนดูฟุตบอลโลกอ่ใช่ป่ะจริงจรงมันมันติดมันคล้ายกันนะมันตื่นเหมือนกันแ้่มันตื่นด้วยอะไรเท่านั้นเองอ่าอันนี้มันเงียบเงียไม่มีอะไรปลุกแล้วอ่าแต่เราก็พยายามที่จะปลุกตัวเราเองตื่นขึ้นมาอ่าอันนี้เป็นพลังแห่งสติพลังแห่งความรู้สึกตัวเอา ถ้าใครง่วงๆก็อ น, น้ำมาจิบหรือว่าอ่ะลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำอะไรก็ได้เนาะถ้าไม่ไหวจริงๆก็อ่ะนี่สักนิดนึ ง, ง, งแต่ขอร้องนะอย่า ก, กลนนะแถวนี้นะเดี๋ยวกลนเงินแต่เดี๋ยวถ้าที่มาเทศเนี่เดี๋ยวไปขึ้นสวรรค์ชั้นต่ำๆนะนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ อ, อยากจะ อนุโมทนากับพวกเราเนาะที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติบูบชาเป็นข้ามคืนบูชาหลวงพ่อคาเขียนะแล้วจริงๆหลวงพ่อคาเขียนนัอยู่ในใจเราทุกคนแลเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอย่างหลวงพ่อได้และก็คือการที่เราจะออกจากความทุกข์ได้จะได้มากได้น้อย่ก็ขอให้เรามีความเพียรพยายามมีความเชื่อแล้วก็ลงมือกระทํา อย่าเพียงแค่เชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ชื่นชมบูชาครูบาอาจารย์แต่เราไม่ปฏิบัตนะิอันนี้มันก็มันก็อาจจะไม่ได้ผลนะหรือว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะนั้นอาศัยความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์ต่อยอดขึ้นไปไปสู่การประพฤติปฏิบัตนะิเพื่อให้เกิดผลนะตามที่มันจะสมควรแก่ทำ โดยไม่ต้องไปหวังอะไร น, นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเราได้ร่วมกันเนาะทํำคืนนี้ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นการบูชาครูบาอาจารย์และก็คือหลวงพ่อํำเขียนหลวงพ่อเทียนย้อนไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ที่ถางทางไว้ให้กับพวกเราแล้วเพียงแต่ว่าเราก้าวเดินลงไปและก็พยายามที่จะมีความ เปียนความพยายามความบากบัน่นนะเกิดมาชาตินี้เนี่ยอย่าให้เสียชาติเกิดทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยให้ได้นี่คือความปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้แต่จะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรให้มีความปรารถนานะซึ่งอาตมาเชื่อว่าหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมเขียนนั้นก็มีความปรารถนาอย่างนี้ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีความปรารถนานี้แล้วท่านก็พยายามที่จะทำเพราะนั้นการเดินตามรอยครูบาอาจารย์ก็คือตั้งความปรารถนาเหมือนกับท่านนั่นแหละแล้วเราก็เพียรพยายามที่จะทำต่อเนื่องต่อไปเราอาละก็เข็นว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงอาคุณของพระสีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสิสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือจ ะ, จะทาความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลก็ดีให้เราได้เห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราและประสงค์ก็คือการ ป, รปฏิบัติข้ามคืนวันนี้เรามาปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเทียน และก็เป็นการพัฒนาตัวเราเองนะก้าวไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ด้วยความเพียรพยายามความอดทนความศรัทธาประกอบไปด้วยสมาธิสติปัญญานะขอให้ได้สิ่งที่เรามุ่งมา่นปรารถนาและก็คือความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้โดยเท่าหน้ากันเตนเจรนพร